จเจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้เนื่องจากในการทอดกระถินได้นำกระถินมาจากนาครหลวงแล้วก็มีในภูการสักการีฉัน เป็นประธานมีขุนอคมวิทยุศูนย์หนึ่งเป็นผู้นําแล้วก็มีชาวบ้นบวานมุงไหวทุกตคนเป็นผู้บวชทำทุกปีที่พบมาก็เข้าใจว่าใครเป็นผู้วบวชทำทุกปีทั้งวัดประคงเดี๋ยวไปเดี๋ยววัดมุงไหวก็ทั้งวัดต่างๆหลายวัด ก็นักว่าพวกญาติโยมทั้งหลายนี้ตั้งอกตั้งใจในทำบุญสุนทานอย่างพอใจกันทุกคนจะมานอนตามป่าตามดงทุกอย่างลำบากก็ไม่กลัวไปอันตรายต่างๆก็อันนี้อันหนึ่งเป็นเหตุที่จะให้ เราพิจารณาว่าศรัทธาที่มาในทุกครั้งทุกคราวนี้เป็นศรัทธาที่เปลกประดานได้วิทยุศูนย์หนึ่งนี้ก็ส่วนมากประชาชนทั้งหลายนั้นเดื่อมใสมากไปง่ายมาง่ายกินง่ายนอนง่ายทุกง่ายทุกอย่างและไปที่ไหนไม่ทำความเดือดร้อน ไปที่ไหนทําความให้สะดวกแล้วประชาชนทั้งหลายก็เป็นผู้ใจบุญทุกคนพูดอะไรก็เข้าใจกันถึงแม่วาสู่วัดป่าก็ยิ่งร้ายห้องน้ําก็ไม่สมบูรณ์อะไรก็ไม่สมบูรณ์แต่อย่างไรก็ตามเมื่อใจเราสมบูรณ์แล้วมันก็สมบูรณ์กเป็นปหมดทุกอย่างนะ่ยประกอบวันนี้ อาตมา น, นีก็ไม่นึกว่าจะได้มา ม, มาปรลโยวไราวแล้วก็จะกลับไปวัดประคงเพราะว่าอย่าจยทุกคนควรรู้ว่าปีนี้สุขภาพไม่ไปดีมไม่ค่อยสบายมันจะเป็นสังขารก็จริงแต่ว่าเรายัางอาศัยมันอยู่นะ เมื่อมันไม่สบายอะไรเรากไม่พร้อมระบบประสาทนี้ก็เสื่อมเสื่อมไปที่จะพูดไปในวันนี้หรือวันหลังหรือวันต่อไปนั้นเป็นคำพูดที่ออกมาจากจิตใจซึ่งสั่งสมไว้หลายปีนานส่วนจะจจำ สิ่งอืในปัจจุบันนี้เข้ามาสู่วงจิตนั้นน้อยที่สุดเพราะว่าระบบภาษรถังเสี่ยงนี่นะมันเป็นเหตุอย่างนี้ฉะนั้นวันนี้ก็เลยไม่ได้รัรรบุตัวประว่ติรักน้อยแต่มากอยู่แต่ว่าเป็นพระ ท, ที่หัวใหม่ที่ม่นจำนานในการนานจำเป็น อาจจะมาก็ตกองอยู่ทำหน้าที่ทำธุรหน้าที่อันนี้พอสมควรแล้วก็พูดการพูดธรรมะวันนี้โดยมากจะพยายามเอาพระประหลังที่สิ้นในโงกุณีหลายปีแล้วจะพูดธรรมะ ยญาติโยมเป็นส่วนมากมีท่านปปปกโรเป็นประธานและมีหลายองค์ปัจจุบันนี้มีปปปกโรคเป็นประธ า, า, า, า, านในวัดนี้ทูเมโทท่านอัตมาเรตจับตัวทีุมมรีรัย หลายองสี่องให้การทาธุระหน้าที่อยู่เมืองนอกเพื่อเรื่องรสรรประชาชนทหลายคุณบุตรคุณอัจฉราทหลายในอุณดอนนั้นเข้ามาสู่ไทยปโครงเป็นต้นว่าจะมาเป็นการคุปรราชหรือนักบวญแก่ต้องมาอยู่นั่นก่อนก็ให้ถึงมีโต้ฝึก ถึงแม้จะวันประชาก็วันประชาเป็นสมณีก็ต้องส่งไปให้ออ็อะเกศสรารสีซึ่งเป็นพระเถรรัตนในสมนร น, นในปัจจุบันนี้เปลี่ยนเป็นสมณีค น, นนั้นนอกนั้นก็อส่งมาวัดประโคมมาวัดอนาชาตินี้เพื่ออุปโภคบง่งนิสัยต่อไปแต่แล้วก็ท่านสุ่มมีโทท่านเปิงครก ปมามากทุกภูมิก็นึกว่าท่านทั้งหลายลนั้นใครคารกจะเป็นอนไทยรหรอกเมื่อไปถึงเมืองนอกก็แบคารมอุปธรรมประสาอย่างดีเหลือพระพากรูที่อยูนี้พระพากรูนี่ก็เก่งกนนะาากเหมือนกันพูดภาษาลาวเก่งเหมือนกันทุกอย่างไปกันได้ะฉะนั้น พวกเราทั้งหลายนั้ น, นถึงแม้่าสนใจในพุทธศาสนานี้ก็จริงอยู่แต่ว่าไม่ค่อยได้ซึ้งอะไรกันมากมายเพราะว่าไม่ได้สนใจจริงนั่นเอง่าอาจจะมาไปสอนกรรมฐานอยู่มือ น, นอกรู้สึกว่าเขเอาจิงแต่เขาไม่รูจับวันพระวจ้าหรอกวันพระไม่รู้จกัก ในรูปแต่เข้ามาทุกวันมเหมือนเมืองไทยเราเมืองไทยเราหนึ่งถึงค่คอยๆชะลอวันพระวันพระไปวันพระทุกวันทุกวันแล้วผรียกว่าสําคัญมากทีเดียวถ้าอ ย, ยู่ผู้หญิงผู้ชายทําได้อย่างนั้นทีนี้เมื่อไปถึงกรุงดันดอนเข้านอนไปถึงพวกฝรั่งในกรุงกลกแล้วแต่อย่ากรุงไม่มีวันพระ แต่มาวัดทุวัพอมาถึงทุ่งทุ่งก็เป็นทุ่งเลยพอทุ่งมาถึงพับเลยทางหลายๆกิโลก็ไม่ทุกนั่งแล้วไม่ได้อบรมเรื่องนิสัยสิปัญญาเรื่องนี้ไม่ได้อบรมอบรมจิตเลยลอบรมจิตก็บางคนก็สนใจว่าเรียนถามมาจะมาบ่อยๆว่าคัาภีร์จาร ไม่รู้ภาษาเขาทําไมไปสอนเขาถ้าสอนกันง่ายทุกเห็นสนใจกันอย่างนี้อัตมาว่าภาษานั้นอันภาษานั้นพระพุทธองค์ก็สอนว่านิรุติภาษาท่านแตกฐานในนิรุติภาษารู้จักภาษาทุกอย่าง เรารู้สึกกันว่าภาษานี้เรารู้จักกันแต่ว่าเพียงว่าคำพูดเท่านั้นพูดภาษาเหีนพูดภาษาลาวพูดภาษาไทยพูดภาษาอังกฤษเราเห็นอันนี้เป็นภาษาที่สำคัญเป็นภาษาที่สำคัญมากก็ น, นึกว่าต้องได้ภาษานี้จิบสอนธรรมะได้ แต่ความเป็นจริงนั้ิรุติภาษาภาษานั้นที่รึกซับยิ่งกว่านี้มากให้ทำความเข้าใจลึกซึ้งมากภาษานี้อันนี้มันคำพูดเรารเรียนภาษางตฤษได้็ดีใจกันรเรียนภาษา ไ, ได้มา็ดีใจกันภาษาอันนี้จะเพราะภาษานี้มันเป็นคาพูดนะ มันจะรับความชั่วอะไรอะไรยัไม่ได้จะรับกิริยอะไรอะไรยังไม่เป็นพูดแต่เพียงอู้ว่าภาษาเทนั้นเดี๋ยวสุนัขก็เป็นสุนัขแมวก็เป็นแมวไก่ก็เป็นไก่เป็ดก็เป็นเป็ดเท่านั้นจะประพฤติปฏิบัติดุดซึ้งห้มันมีภาษาที่นีทุกอีจภาษานั้นไปยิ่งกว่านั้นไม่มีถ้าใช้อะไรภาษามากๆก็ยิ่งคลอกกิริยขึ้นมามากเหมือนกัน ยิงยกหูชูหางขึ้นมาเราเรียภาษาอีกแล้วนี่เป็นต้นพระสนธิพระพุทธเจ้ากัรว่าในนี่รู้จิตภาษาท่านแตกฉานในภาษานั้นภาษาของกายก็มีภาษาของจิตมัมีภาษาความทุกสิ่งสารพัดมันมีภาษาทุกอย่างภาษานั่นหมายความว่าให้ทําความมันนั้นให้เข้าใจเราจะยกมือขึ้นเช่นนี้ก็เป็นภาษาอันนี้ เราจะพยักหน้านี่ก็เป็นภาษาอั น, นึ่งเราจะเคลื่อนไหวอะไรทุกอย่างนะทําให้รูปภาษากาันทําให้จิตบริสุทธิ์เรียบรูปภาษากาันทุกภาษาแลยฉะนั้นพระพุทธเจ้าของเราสอนธรรมะแก่ประชาชนทั้งหลายทุกประเภทนั้นแม้แต่เราคนชั้นต่ำชั้นสูงแม้ต่เราสัตว์ที่ลนท่านก็รู้ภาษามันมีท่อ น, นี่เพราะอะไร น, นี่ภาษานี่มันจะรอบตัวของเราท้งนั้นเมื่อทางจิตให้เป็นผู้บริสุทธิ์เฉลียวฉลาดในด้านจิตแล้วนมันก็ทําความเข้าใจให้สัตว์รู้ได้นะทาความเข้าใจให้ทุกสิ่งทุกอย่างรู้ได้ทางนั้นอันนี้เป็นภาษาที่สำคัญมากแต่ฐานในภาษานี้คือทําความเข้าใจสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นว่าเป็นอย่างนั้น นะเมื่อบุคคลเราได้ปัใจจัยในภาษาทั้งหลายเหล่านี้แ จ, แจกแจงแล้วนะมันสบายใจภาษาจิตนี้เพราะว่าตาโกดีหูโ ก, กดีจมูกโกดีลินดีกายเป็นต้นเมื่อรับอะไรมาแล้วมาทิ่งให้จิตจิตเป็นผู้ทำงานจิตเป็นผู้ที่ทำงาน ตาหูเจ็กหูรีบกายอายัตนะาทาั้งหลายออบมาก็มาทิ้งให้จิตถ้าจิตไม่รู้ภาัษามันก็แยกจิตต้องเป็นผู้มีปัญญาต้องเป็นผู้เฉลียวจะต้องเป็นผู้ฉลาดมากรอบครอบขึ้นรงรักษาอายัตนะาทาั้งหลายได้เอันนี้เป็นภาษาที่เกิดจากการปฏิบัติ ไม่ใช่เป็นภาษาที่เกิดจากการเรียนรู้มันเป็นภาษาที่รู้เกิดจากการปฏิบัติอันบุคคลท้งหลายจะเรียนก็ไม่รู้เมื่อมันจะรู้ก็ไม่ได้เรียนจะต้องปฏิบัติและภาษาทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันรวมกันที่ภาษาของมันยกตัวอย่างง่ายๆน้าชาที่เราต้มมันร้อนมีร้อน ไอ้คำเยาวร้อนเนี่ยภาษาไทายเยาวร้อนภาษ า, ษ า, ษ า, าภาษาเด็กว่าพ้อนภาษาคิตเขาว่าฮดเขาว่าอะไรก็ไม่รู้เนี่ยมันเป็นอย่างนี้อันนี้ภาษานี้มันเป็นอย่างนั้นแต่ว่าอต่างคนต่างภาษาพูดไปแต่กความร้อนแันเดียวกันนั่นเอนงนะอยากจะปฏิบัติดูว่าภาษานี้มันรวมกันที่ตรงไหนภาษาร้อน มันรวงกันตรงที่เอานิ้วมือไปจุ่มดูเท่านั้นนะให้คนจีนเอานิ้วมือไปจุ่มน้าร้อนไอ้ความร้อนนั่นมันไม่แปลกกันให้ฝรั่งอังกฤษเอามือไปจุ่มลงไปในร้อนไอ้ความร้อนมันไม่แปกกันแต่มันแตกแต่ภาษาสักผู้ไอ้ความร้อนมันเหมือนกันจนนั้นถ้าใครดูจักความร้อนเนี่ยบอกแย่ารู้จักกันหมดทุกคนเลยแม้แต่รดสัิรยานยนมันก็รู้ว่าร้อน แต่ภาษาคำพูดมันตัวไม่รู้มันไปคนใดกันมันเป็นคนอาทิตย์คนใดทางนี่คือความรู้ทั้งหลายมันไปรวมปฏิตุงเหมือนร้อนอาการร้อนเป็นอย่างไรอาการร้อนเป็นอย่างไรนั้นทุกคนทุกคนจะต้องมีอาการอย่างเดียวกันนั้นแต่คำพูดที่ว่าความร้อนนั้นไม่เหมือนกันอีกเป็นภาษานี้ภาษาที่มันร้อนมันรวมกันอยู่นั้นเน่มันเหมือนกันทั้งนั้น มิฉะนั้นประชาชนทั้งหลายเมื่อเข้าใจธรรมะแล้วนะจะอยู่ในคนอาทิตย์จะอยู่ในค น, น, า ท, น, ค น, นาทางจะอยู่คนตมุมโลกอะไรก็ตามทีเถอะมันเป็นอันเดียวกันโดยคือความร้อนนี่ภาษานี่สําคัญฉะนั้นเมื่อเราแดกฐานในภาษาทางใยแล้วภาษาธรรมะแล้วถึงแม้พูดกันไม่ได้ก็สบายตานี่มองดูแล้วก็มันเป็นภาษาแล้ว นะนะคนโปรกันตาเป็นยังไงคนชอบใจกันตาเป็นยังไงจิริยาเป็นยังไงมันเป็นภาษาทั้งนั้นนะ่ะนะไม่ใช่มันมันเป็นเฉยไม่เป็นภาษานะเนี่ยเมื่อเรารู้จักว่าความร้อนอันนั้นมันรวมที่เดียวกันนั้ น, น, นคือภาษารเดียวกันเมื่อเราเข้าใจเห็นที่แล้วยกถ้วยน้ำร้อนมาก็เข้าใจกันแล้วว่า ใครๆอกว่ามันเป็นยังไงว่ามันร้อนเข้าใจไหมเราบอกกันแล้วว่ามันร้อนจับไฟขึ้นมาเจ น, นี่มันเป็นแสงโคมนี้ก็ใครก็เข้าใจหรือ ว, ว่ามันร้อนนี่ภาษานี่มันเป็นภาษาที่ถึิถิ่อันเดียวกันแรกฉะนั้นไม่ต้องสงสัยในธรรมะคาสอนของพระพุทธเจ้าของเราแต่วันนี้จะพยายามสอนจิตเพราะว่า การฟังธทรรมหลายสิ่งหลายอย่างไม่เคยทำมาแล้ววันนี้ตั้งใจฟังให้มีการภาวนาไปด้วยนะเฉพาะ อ, อย่างยิ่งก็คือมีรากฐานเกิดจากศีลเกิดจากสมาธิเกิดจากปัญญาศีล ส, สมาธิปัญญานี้สามประการนี้เป็นรากของพุทธศาสนาะ หรือเป็นรากของความจริงทั้งหลายเป็นรากของความตรงแ น, น่วแนยทั้งหลายก็คือศีลสมาธิปัญญาศีลนี่ก็คือมุตรอันหนึ่งหลักบุตรอันหนึ่งสมาธินี่ก็เป็นหลักที่สองปัญญานี่ก็เป็นหลักที่สามถ้าเราจะทำให้มันตรงไปตั้งมุตรที่ลงไปกอาบุตรที่สองมาตั้งเขาไปเราจะมองดูมุตรที่หนึ่งนะ าหาหมดที่สองคือสมาธิแล้วก็เริ่มไปาหาหมดที่สามคือปัญญาท่านสามหมดดีตรงถูกต้องเห็นเนีถูกต้องดีเพราะธรรมะก็ทําความเห็นให้เราถูกต้องการปฏิบัติถูกต้องเมื่อความถูกต้องทั้งหลายนี่ในเรืวว่องวารวมความจริงก็มาอยู่ที่ความถูกต้อง ไอ้ที่มันตรงไปตรงมานี่ทันทีเรารากฐานคือศีลคือสมาธิปัญญาเพราะมีหมดสามหมดนี้แล้วนะมันไม่เผลไปทางไหนหรอกมันตรงทางนั้นเนี่ยดูหมดที่หนึ่งใส่หมดที่สองดูหมดที่สองใส่หมดที่สามสามหมดแล้วนะนะมันจะตรงภูเขาก็พังถึงนั้นนะมันตรงทางนั้นนะมันไม่ออกไปที่ไหนหรอกฉะนั้นรากของพุทธศาสนานี้หรือรากของความจริงนี่ก็คือมีศีล แล้วก็มีสมาธิแล้วก็มีปัญญาแต่ว่าเราจังหลายมาพูดกันข้างไปข้ามมาบ่อยว่าสินสมาธิปัญญาสินสมาธิปัญญาใครก็พูดคร่อบทั้งนั้นเนี่ยว่าศินนั่นมันเป็นอะไรว่าสมาธิมันคืออะไรนะปัญญามันเป็นอะไรมันเป็นไปพดกันอย่างไรมีอยู่ในใจของเราหรือไม่นี่สาคัญสมคัญมาก มุดทั้งสามนี้ที่มีอยู่ในใจาของเราแล้วเราจะตรงไปถึงสัจธรรมเลยอจะมีทุกข์มันก็เป็นสัจธรรมจะมีสุขมันก็เป็นสัจธรรมจะเป็นอย่างไรอย่างไงมันก็เป็นสัจธรรมเพราะว่ามันตรงแน่ๆอยู่แล้วฉะนั้นรากฐานของพุทธศาสนาที่ตรงนี้ก็คือสิ่งคือสมาธิคือปัญญาสิ่งทั้งสามประการนี้ เป็นรากฐานของการประพฤติธปฏิบัติเราควรคิดดูว่ า, าสินนี้ก็พระพุทธเจ้าเป็นสอนมา่าทำเหมือนกันก็ติวาคนไม่มีสินนั่นคือความสุขกระโปกกายมันสุขกระโปกใจมันก็สุขกระโปก การพูดก็สุขพกทั้งสามอย่างกายวาจาใจสุขภพนี่สิ่ง น, นั่นก็คืออาการสบู่หรือแฟบจะมาชำระเครื่องสุขภกนันออกจากอ่านนั้นหรือสิลงสมาธิปัญญานี้ก็เป็นสบู่หรือแฟบที่จะมาฟอก กิเลสทั้งหลายในดวงใจของเราหึืความผิดทั้งหลายให้หมดหมไปในเป็นสิ่งที่สะอาดเมื่อจิตมันสะอาดหรือเมื่อผ้ามันสะอาดแล้วจะรับนําย้อมอะไรทุกอย่างเอาสีเหลืองมาย้อมสีแดงเนี่ยสีเขียวหรือทุกประเภทเลยถ้ามันสะอาดแลวมันย้อมแน้วยมันก็กิ้มก็เหมือนกันก็นที่ว่าเรา ถ้ายกความคิดออกจากจิตของเราแล้วจากกายจากวาจาของแล้วไอ้พวกผิดไม่มีทางกายทางวาจามันก็จิตใจมันก็สะอาดของที่สะอาดนั้นก็ควรแล้วควรเก่การยอกยอมธรรมะแล้วเหมือนกันกันกบผ้าควรแล้วยอมสีเมื่อผ้ามันสะอาดแล้วถ้าผ้ามันสะอาดเราไปยอกสีเข้าไปยิ่งร้าย ถ้าสปกปกติไม่ต้องทำให้สะอากไปย่อมสีติมันยิ่งทำให้ร้ายกว่าเก่าเลยไม่สวยเลยอันนี้เราจะเห็นได้ง่ายๆเปรียบอย่างนั้นใส่ธรรมะเรียกว่าศินอันนี้ก็คือปกติเสีเรีนนโดยปกติเสีเรีนโดยปกติอาการปกติเป็นอย่างไร อาการปกติเป็นอย่างไรอาการที่ปกตินี่ก็คือไม่สวดเซไปทางไหนเป็นปกติไม่หวั่นไหวท่านไหนเรียกว่าสีเรน่าโดยปกติขาวสะอาดรอบอยู่ไม่คร่าไม่คร่าไม่อะไรอะไรจนนั้นเป็ปกติกายวาจาของเราก็เหมือนกันท่นนั้นมีกายปกติมีวาจาเป็นปกติแล้วนะ มันก็ไม่มีโทษอะไรทั้งนั้นเป็นปกตนะิเมื่อความผิดที่มันมีทางกายทางวาจารเราไม่มีแล้วจิตใจมันจะเป็นอย่างไรจิตใจมันก็สบายจิตใจมันก็สนุกสงบเพราะไม่มีโทษสงบเพราะไม่มีเรื่องอะไรมากสงบเพราะปราศจากความโรคความโกรธ ค, ความหลงมันสงบอย่างนี้ ความสงบนั้นแล้มันจะเป็นสมาธิไปกลางๆแล้วเนี่ยเมื่อจิตสะอาดแล้วเมื่อจิตเมื่อกายวาจามาสะอาดแล้วจิตมันก็ไม่มีโทษมันก็สงบไอ้ความสงบนั้นนะมันเป็นผลเกิดมาจากกายวาจาที่สะอาดกายวาจาที่สะอาดนั้นเป็นเหตุให้จิตสงบ เมื่อจิตสงบลงนั่นแหละเป็นเหตุไม่ให้จิตวุ่นวายเมื่อจิตไม่วุ่นวายนะปัญญาก็เกิดเมื่อปัญญาเกิดแล้วจบจบกับเรื่องปัญญารู้เรื่องอะไรทุกสิ่งสารพัดอย่างซึ่งที่ว่าไม่รู้ไม่มีนะเช่นพระพุทธเจ้าทะมีอุบายให้เราพิจารณาร่างกายของตรานี้ ทไมพิจารณาลักายขำหนดทำไมพระพุทธองค์ก็สอนว่าคนทุกๆคนก็เหมือนคนทุกๆคนอย่างเราที่ฟังธรรมรวมในสา ร, รานีก็เหมือนกับคนที่อยู่ว่าที่ยังไม่มาบรรลุเมื่อนันเราดูเราคนเดียวเห็นแจ้งชัดว่ามันเป็นอย่างไรคนในจักรวาลนี้เราเห็นแล้วว่ามันเป็นเหมือนกันกับเรา มันก็มีดินมีน้ำมีไฟมีลมเหมือนกับเราพระพธธุทธเจ้าจึงเห็นเน้เนหนักให้พิจารณาในร่างกายของเราให้ดีก็เพราะว่าเห็นร่างกายของเราส่วนเดียวเท่นั้นเนี่ยเห็นหมดไม่ต้องสงสัยเนยเมื่องกัถะนั้นสภาว่าสังขารเป็นอย่างนั้นเมื่อจินสงบเช่นนี้แล้วเป็นสมาธิเรียกว่าการภาวนา การภาวนานี่แหละอยากโยมอยากทำหลายยุ่งเหยิงกันอยู่เรียกว่าทำกรรมฐานท่านกรรมฐานเป็นอย่างไรการภาวนาเป็นอย่างไรสมชายเป็นอย่างไรวิปัชนาเป็นอย่างไรอะไรต่ออะไรเรเื่องนี้ตอนหัวค่ำเย็นๆนี่ก็ได้ยินโยมไปสนใจน้องพ่อ ปฏิบัตินี่หายใจขผ่อนพุโทโธพุธโทโธบางองค์ไม่ตรงว่าพุโทโธหรือหายใจเฉยๆก็ได้บางองค์กระบอกสัมมาสัมพุทโธที่ฉันวุ่นเดือเขินไม่รู้ว่าจเจ้าอะไรตัวอะไรอย่างนี้นะ่ะอันนี้จะมาเ อ, อ้ยยังไม่ออกจากบ้านน่ะยังอยู่ในบ้านยังบนอยู่เลยนี้ไอความเป็นจริงนั้นการทํากรรมฐานนี่นะ กรรมะแปลตามศัพท์การงานกรรมการงานฐานะเรียกว่าเป็นที่ตั้งแห่งการกระทําเรียกว่าการงานการงานในทางพุทธศาสนานี้แหละเรียกว่ากรมากรมฐานกรรมฐานนี่เป็นชื่อเป็นชื่อของการกระทํามันเป็นหลักการนึ่งเรียกว่ากรรมฐานนี้ทํายังในกรรมฐานหลายอย่าง จะทําจิตให้สงบนี้เพราะว่าจิตของเรานี่นะ่ะส่วนทุกส่วนนะในร่างกายของเราเนี่ยทั้งหมดมีกายกับจิตเท่านี้เท่านี้ส่วนกายมันจะออกไปตรงไหนก็ช่างมันเถอะมันมีกายกับจิตตัวเนี้ยย่อมาในธรมรมปฏิผูมิปฏิบัติธรรมก็คือปฏิบัติกายกับจิตของเราเท่านี้ จิตของเราเนี่เป็นผู้ที่รับทาระอะไรมากทุกอย่างนะมันไม่รู้การความเป็นจริงว่าอะไรมันเป็นปกติในะจิตของเราเนี่ยมันหลงมันหลงสมมติอันนี้นะแล้วมันจะมองไปข้างนอกมันก็ตามรู้ไปเห็นอะไรก็ตามเข้ามาจิตเนี่ยนะเห็นอะไรทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเป็นปกติอยู่นั่นแหละ เห็นว่าไม่เป็นปกติแล้วนะเห็นว่าสกุลร่างกายเนี่ยมันไม่เทีย่ยงเขาเข้าใจว่ามันเที่ยงแล้วสกุลร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวตนของเราเขาเข้าใจว่าเป็นตัวตนของเราเมื่อมีตัวตนของเราแล้วของของเรานั่นก็มีเพิ่มตึ้นมาเขาประวุ่นดูแต่สิ่งทั้งหลายเหล่านี่เดืม ก็เน้นว่าสิ่งทั้งหลายเร้่อให้โทษเขาและก็ให้คุณเขาเขาจึงมีความดีใหญ่กว่าเขาจึงมีความเสียใจญ่าเพราะใหญ่อนั้นไม่รู้จักว่าปกตินั่นคืออะไรไอ้ความเป็นจริงธรรมชาติทุกอย่างสารพัดดินฟ้าอากาศนี้ความร้อนความหนาวทั้งหลายเนี่ยเขาเป็นปกติของเขาอยู่อย่างนั้นเมื่อเขาจะร้อนเขาก็ร้อนเมื่อเขาจะหนาวเขากวหนาวเมื่อเขาจะเป็นยังไงเขาก็เป็นปกติของเขาอยู่อย่างนั้น แต่เราไม่รู้จักปกติเห็นมันผิดจากปกติไปไอ้ความเป็นจริงนะ่ะธรรมชาติทั้งหลายก็ถูกแล้วเราเข้าใจว่าเขาผิดความเป็นจริงเราที่เองผิดไปหาว่าคน น, นั้นผิดของอื่นนั่นเป็นปกติหาว่าของอู่นไม่เป็นปกติไอ้ความเป็นจริงเราไม่เป็นปกตินั่นเองเขาเป็นปกติอย่างนี้ก็ามหลงอย่างนี้ก็คือจิตมันหงนันะ มีแ่นั้นการจะเนี่ยอบรมจิตอบรมจิตของเรานี่จิตนี้มันคืออะไรจิตนี้ก็ถูกสมมุติมาจริงจิตนี้มันคืออะไรจิตนี้มันก็ไม่คืออะไรมันก็คือจิตจะให้มันคืออะไรเพราะจิตนั้นมันไม่มีตัวตนอะไรแต่รู้สึกทุกคนมีไหมมันก็มีความรู้สึกตรง น, นั้น่ แต่พูดถึงส่วนผิตที่เราสมมติกันคือผู้ที่รับรู้อารผู้ที่รับรู้อารที่เขาอินธาเขาจะเสนอมานั้นใครเป็นคนที่รับรู้เขาสมมติคนคนนั้นะเรียกว่าจิตเขาเรียกว่าอาการเช่นนั้นนั้นแต่เรียกว่าจิตผู้ที่รับรู้อาร เมื่ออารมณ์ที่ชอบใจแล้วเขาพอใจใจเขาประมุไปตามอารมณ์นะั้นเมื่ออารมณ์นั้นที่ไม่ชอบใจเขาเขาเสียใจไปตามอารมณ์นะั้นนี่เรียกว่าจิตไม่เป็นปกตินะสิ่งอื่นเป็นปกติอยู่ในความร้อนความเย็นเป็นปกติอยู่ตามธรรมชาติอย่างนั้นจิตไม่รู้เรื่องสิ่งทั้งหลายแล้วจริงบุญเกิดความวุ่นวายอยากให้สิ่งทั้งหลายแล้วนั้นเป็นอย่างนี้ อยากใอ้สิ่งนี้เป็นอย่างนั้นอยากใอ้สิ่งทั้งหลายเ่านั้นเป็นอย่างนี้อืมนะมันก็เลยลาบากสิ่งที่เป็นปกติอยู่เขาก็ไม่เปลี่ยนแปลงเครับเราก็เปลี่ยนแปลงอยู่ด้วยเป็นอย่างเกิดสังขารความพรุงแต่อันนี้จะต้องทําอย่างนี้อันนั้นจะต้องเป็นอย่างนั้นวุ่นวายอยู่วุ่นวายก็สิ่งที่ไม่วุ่นวายนีเรียกว่าจิตเป็นคนหลงผู้ที่รับรู้อารมณ์นั่นเป็นคนหลง ผู้ที่รับรู้ส่วนใดที่รับรู้อารมณ์ส่วนนั้นท่านสมมุติท่นเรียกว่าจิตที่มีอยู่ในเรานี้เราจะมองในตัวของเรานี้เราก็รู้สึกว่ามันมีอารมณ์อย่างนั้นอยู่ผู้ที่รับอารมณ์มันมีอยู่อารมณ์มันก็เป็นส่วนอารมณ์จิตมันก็เป็นจิตมันเป็นคนละส่วนมันเป็นคนละส่วนกันถ้าเราแยกจิตมันเป็นส่วนหนึ่งอารมณ์มันเป็นส่วนหนึ่งนะ อันนี้เราก็พอมองเห็นแล้ว่ามันคนในหญ่แต่ความจริงนั่นคนไม่ได้พิจรารณาเห็นอารมณ์กับจิตเป็นอันเดียวกันเลยก็ตามอารมณ์เนาะเมื่อตามอารมณ์นั่นเป็นต้นก็ไม่รู้จิตของเจ้าของแยกจิตกับอารมณ์ออกกันไม่ได้นะเมื่อได้อารมณ์ไม่ดีมากระทบจิตก็วิ่งเข้าไปหาอุปทานก็เกิดปุ๊บไปเรื่อยๆ ถ้าเแยกออกไปอารมณ์ที่มันไมดีกับกจิตที่รับรู้มันคนในหยาบกันนะไอ้ผู้ที่รับรู้ที่เราเห็นมันเราวางมันซะมันก็ม่ทุกข์น ะ, น ะ, นะมันก็มีทุกข์มันเป็นปกติอยู่เหมือนกันกันก้อนหินก้อนหนึ่งที่วางอยู่ตรงหน้าเรานี้่มันจะมีน้ําหนักอยู่ประมาณสัก12กิโลนะวางอยู่ตรงหน้าเรานี้สมมุตินะทีนี้ไอ้ความหนักนะ มันก็เป็นปกติของมันนะมันก็อยู่อย่างนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเราไปยกมันมันผิดปกติเลยทีเดียวแล้วต้องให้คนแม่หิ้ก้อนนี่มันหนักลึเกินเนี่ยมันไปให้โทษเข้าใจอย่างนั้นไอ้ความเป็นจริงนั้นมันไม่เลือเกินปกติของเขาเป็นอยู่อย่างนั้นถ้าแม่มันมันหนักก็ไม่มีใครไปรับทุกข์ไม่มีใครไปรับแบกมัน อารณ์ทั้งหลายนี่ก็เหมือนกันทั้นนั้นเมื่ออารมณ์ที่มันผ่านมาผ่านมานี่ยเมื่อเราไปไม่ไปรับแบกมันนะเมื่อเราปล่อยมันเมื่อเราวางมันเนี่ยความหนักมันตัวไม่มีสมมุติว่าไอ้วามที่เราไปยึดสิ่งอารทั้งหลายเรานั้นไม่มีก็แค่าค้ายกับว่าเราที่ไม่ไปแบกอีกก็นนะั้น ถึงแม่หินก่อนนั้นมันจะมีน้ำหนักอยู่ตัวรองก็ไม่นักเพราะเราไม่ตกลไปแบกมันอารมณ์นั้นมันจะชั่วหรือดีก็ตามทีมันเยอะมันก็ไม่มีอะไรมากถ้าหากว่าเรารู้มันแล้วก็ปล่อยมันซะไม่ไปแบกมันไม่ไปยึดมันเลยมันก็ละลายไปในอาสาศสิมันไม่ตามมาถึงเราฉะนั้นเดียกว่าการกระทํากิเนี่ให้มีกําลังนั้นไม่ใช่คิดเท่มันมากไม่ใช่วุ่นวายต่ออารมณ์ทั้งหลาย เมื่อมาทำจิตเนี่ยจิตที่บุบวายเนี่ยเราทำให้มันไม่บุบวายทำไงล่ะมาทำกรรมฐานกันทำกรรมฐานจะทำไงเอาอะไรมาให้มันเล่นมันเด็กในบ้านเราเนีเด็กในบ้านมันมันโซนจะทำยังไงมันไม่หยุดมันไม่นิ่งจะทำยังไงเอาลูปโป่งมาให้มันเล่นใช่ไ เออมันก็เพลินแล้วลูกสูงเพมันจะว่ายนั่นเออมันก็ไม่ร้องมันก็ไม่วุ่นวายเพราะอะไรเอาเครื่องเล่มาให้มันมันก็เพลินแล้วลูกสูงนั่นแหละจิตนี้กับมันกันเมื่อมันวุ่นวายพวอกแวกอยู่หาอารมณ์ในมันเล่นเท่าอะไรบ้าพุทธานุสติบ้างัฒนานุสติบัางสังขานุสติบัางสีลานุสติบัางจาคานุสติบัาง เอาม า, า, านาโนจติวัฒน์แห่งปีกณากรมตายจริงเรียกว่าบางท่านจะแบบทำโมเป็นอารมณ์บางท่านกะแบสังโฆเป็นอารมณ์บางท่านจะแบบพุโทโธเป็นอารมณ์มันไม่ต้องครับอารมณ์หายใจอย่างเหียวอยู่นนะมันก็เพอเาะ เ, เนี้ยเลยวู่นายกันพอเราทํากรรมฐานไนมงฟันไก่ตาแตกทีละ บางคนไม่ว่าพุณโทไม่ได้บางคนต้องว่าว่าพุณโธรจิตต่อกันไม่ใช่เอาลงอย่างเดียวอาจารย์ฉันบอกจากนั้นน่ะไม่ยอมหนูวุ่นวายจะไปทำยังไงอาจารมาเปรียบในฟังว่าไอ้จิตใจเรามันบอกรั่งมันเด็กในบ้านเราเน่ะมันร้องไห้นะเมื่อเด็กในบ้านมันร้องไห้จะทำไงมันจะหยุดให้มันหยุดร้องไห้เอาขนมมาให้มันมันก็ไม่หยุดร้องอืมเอาอะไรมาให้มันมันก็ไม่หยุดร้อง ที่มันไม่หยุดร้องนั่นดีวกว่ามันในจิตใจของเด็มันในพอใจของมันถ้าเป็นทำรมานได้แบบทำรมาธินั้นไม่ถูกใจเดของเราจริตใจเราก็ไม่สงบเนี่ยมมเมื่อเราไปกันข้างเอารูกลวงให้มันเด็กจริมันก็หยุดร้องไห้นั่นเด็กรรมฐานถูกใจมันแล้วอันนี้ก็เหมือนกันเราจะอาณาปานพุติเป็นต้นเป็นอารมณ์เดียวหายใจเข้าหายใจออกกำหนดอยู่ที่โรงหายใจ อไอ้พุโทโธพุธโทโธนั่นให้เรารู้รู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกถ้าเรารู้เช่นนั้นมันก็เกิดเป็นพุโทโธเองของมันไม่จําเป็นจะว่าอะไรหรือเราจะว่าออกเสียงพุโทโธพุธโทโธก็ได้เพื่อไปแยกความรู้ระมาไว้ให้มันดนีถ้าหากว่าเรารู้จะพุโทโธนี่คือความรู้เป็นชื่อของตัวคนเรียพุพโทโธคือความรู้ เราจะหายใจเข้ามันก็รู้หายใจออกมันก็รู้นะมันรู้มีสติสมัมปชัญญะควบคุมอยู่เสมอได้เด็ดกว่รู้อันนั้นก็เป็นพุทธโธแล้วนั่นเป็นพุทธโธแล้วนี่เป็นอารมณ์แล้วหายใจเข้าออกทั้งม่านเดยอะ<ม>การกำหนดทางกรรมฐานยังมีหลายอย่างบางหแห่งเนยุบหนอแล้วฟองเนายุบหนอพองเนอได้แต่สงใจ ไม่ว่ามันจะเป็นยังไงยุบหนอคองหนอนี่เราวหายใจดูก็แล้วกันอืหายใจเข้ามันยุบหรือมันคองหายใจออกมันยุบหรือมันคองท่านในมีสติกำหนดบาเอาอันนั้นเป็นอารมณ์อันนั้นเดี๋ยวว่าอารมณ์หรืออาหารของจิตเดี๋ยวว่าเป็นสมถะให้จิตสงบเมื่อเมือนกับเด็กของเราน่ยมันได้ลูกหลงมันก็วางอย่างอื่นอืกการเดินอย่างอื่นมันก็วางไว้สงบมดอารมณ์อื่นมันก็เดินหูุดหลงมันสบาย นี่มันอยู่แล้วในจิตสงบแล้วสงบแค่นี้นะสงบแค่ว่าเด็กที่มันมีรูโกลงนะจิตใจมันก็พัวพันอยู่ในรูโกลง น, นั่นจิตมันก็สงบความสงบเช่นี้ไม่พอนะอเด็กนั้นมันเห็นรูโกลงนะั้นลอยอยู่บนอากาศเท่านั้นนะนะมันสบายใจมัน มันม่ไเรียกว่าไอ้ต่อไปลูกโปงมันจะแตกหรือไม่มันไม่ได้คิดนะมันไม่ได้คิดมันไม่ได้คิดนะมาไปเห็นลูกโป่งลอยตามภาษาคนสบายเท่านี้นี่เรียกว่าสมรรถมีความสงบแล้วนะที่นี้วิปัสสนานั้นคือทำให้มันมีปัญญายิ่งกว่านั้นให้มันรู้จักรูปโปงมันจะเป็นยังไงมันจะแรกไอ้ลูกโปงต่อไปมันจะแตกไหมเนองอะไรต่ออะไรดังเนี้ย จนในมันเห็นในใจมันต่อไปมันเป็นของไม่เที่ยงลูกคงมันของแปกแน่นอนเลยผลที่ถุดมันจะต้องแปกเนี่ยปัญญามันรู้ไปนู่นไอสมาธานี่มันมีปัญญาเห็นดูกโปรยเวลาตาเนี่ยคนเล่นอยู่นั้นเนี่ยเมื่อลูกคงแปกพ่บมันก็ร้องให้เด็กนั่นทําไมมันไม่ได้คิดมีปัญญาเลยว่าลูกคงมันจะแตกยังไงอัอันยิ่จังชกขังระจารมันไม่รู้ มันเห็นแต่เพียงว่ารูปคงมันได้ใจของมันเนี่ยมันรอยมันสวายใจมีสมาทานความสงบความสงบของสมาทานนี่สมาธินี่ก็สงบแต่ว่ามันกิรีสมันมีอยู่นะแต่ว่าเวลานั้นมันไม่มีกิเลสในเวลานั้นในเดียวนั้นในจิตนั้นมันปราศจากกิเลสจิตมันจึงไม่วุ่นวายมันจึงสงบอยู่ มือนกันแล้วรูปโครงในเวลานั้นมันยังมีลมอยู่มันก็ยัลอยอยู่บนอากาศนั่นเองเหมือนมันให้เด็กมีใจอยู่ของปลอมๆเช่นนั้นอันนี้เรียกว่าสมถานี่ก็เหมือนกันเชนั้นแต่ในปูนทถทางสมถะทำสมาธินี่วันนี้สงบบางทีคู่นี้ไม่สงบสงบสองวันไม่สงบสามวันสงบสามวันไม่สงบสองวันมันก็เป็นประวันอยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้ เรื่อการทาสมาธินี่บางคนก็อยากจะรู้ว่าไม่ให้มันเป็นอะไรเลยให้มันอยู่เฉยให้มันนิ่งให้มันเฉยมันจะเป็นยังไงไอความจริจริงคิดนั้นมันจะเฉยก็มันไม่ได้มันจะมีความรู้ว่าเฉยมันอยู่ในตัวของมันรอบรูปของมันอยู่เนี่ย มันจะโหมดของมันอย่างมันมีความรู้สึกและอารมณ์มาเม้ดมันชอบใจชอบใจขึ้นอันนี้ก็ไม่ใช่นะไม่ชอบใจกต่ไปยึดอันนี้ก็ไม่ใช่นะตัวนี้มันจะเกิดปัญญาพิจารณาเหมือนเด็กไม่ผููใหญ่เล่นดุกโงเห็นดุกโงมันไดอตอบไปดุกโง่จะเป็นยังไงเนยะโออมันเป็นของไม่แน่นอนนะ เป็นอ น, นิจจังถูกรั้งอนัจาเป็ของไม่เที่ยงไม่แน่นอนต่อไปจะจะต้องแตกอันนี้เป็นเป็นความเห็นของผู้ใหญ่เป็นความเห็นของผู้มีปัญญาน้ะมันโยนไปโน้ตเลยมันเกาะแล้วไม่ไว้ใจในรูปโขลงแล้วเห็นมารูปโขลงจะแตกแน่นอนต่อไปอยู่อย่างนี้ตลอดเวลานี่เห็นชัดเจนเข้ไปจนกว่ารูปโขลงมันแตกงไปนะแตกสุกใจก็สบาย ทำไมมันที่สบายเพราะวิปัชนานมันเกิดแล้วพ่อมันเห็นว่ารูปโครงแตกก่อนแตกเสียแรงมันแตกดี๋ยวนี้มันแตกที่หลังแตกที่เราเห็นปัญหานี้ก็ไม่เกิดขึ้นมาเลยชั้น น, ะนั้นอืมแต่เฉพาะว่าร่างกายของเรานี่กองมันแตกหรือหานว่าเราได้อะไรมานะ้ำวัตถุอะไรสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาแล้วมีความรักมากแล้วเจ้พยาพระยบ์บออันนี้ต่อไปตงแตก ยกขึ้นใหญ่ถ้วยใบหนึ่งหรือจานใบหนึ่สวยๆเงี่ยน้ำได้มาแล้วดีๆนะบางคนน่ะคนนึงก็ชอบใจเองนะชอบใจมากดีๆดีบุกดีใจเนี่ยนี่เด็กเด็กมันเป็นนี้คนมันมีปัญญาถึงนึกว่ามันดีนึกว่ามันไม่แตกผู้มีปัญญาแล้วก็เห็นเห็นแก้วใบนี้หรือเห็นจานใบนี้ขึ้นมาได้มาแล้วความดีใจเกิดขึ้นมาอู้ขึ้นมาอ อันนี้มันก็จากแต่ว่านะอันนี้มันเป็นภาชนะยิ่อีกวันหนึ่งมันก็ต้องจากจากเราไปมันจะต้องแตกจากเราไปมันไม่แตกเราต้องแตกจากมันไปคิดได้แบบนี้นี่ได้ว่าจิตมันสูงแล้วมันจะพยายามให้พกทุกแล้วต่อไปนานๆจะต้อใช้จานใบนั้นไปเลยมันแตกแตกได้ปัญหาต่เกิดขึ้นไม่ได้เพราะอะไรเ่า พอเรารู้แล้วว่าอันนี้มันแตกอยู่แล้วนี่อาการเช่นนี้เป็นวิปัสสนาแก้วไว้นี่แตกก็ไม่มีอะไรเป็นธรรมดาอยู่อย่างนั้นสังขารร่างกายนี้พระพุทธเจ้าของเราสอนว่าให้เห็นมันเพราะอะไรเพราะเห็นแล้วมันจะไม่มีทุกข์เห็นว่ามันเป็นอย่างนั้นสังขารมันเป็นอย่างนั้นให้เกิดปัญญาปัญญารู้เท่ากับความเป็นจริงของสังขาร สังขารเป็นจริงอย่างไรก็ให้รู้ตามมันอย่างนั้นมันก็หมดปัญหากันตรงนั้นนี่เรียกว่าการอบรมจิตเรื่องจิตของเราดิษฐสมถานี้สมถานนี้มันยังเหตุผลมันมีความสุขหลงไหลแต่คนเราก็ชอบนะชอบอย่างนี้แต่ไม่มีปัญญาอันนั้นเป็นสมถะที่เรียกมันว่าศีลเรียกว่าสมาธิเรียกว่าสมาธิ เรื่องสมาธินี่เป็นของอยู่ซะหน่อยเป็นของลำบักซะหน่อยเพราะว่ามันมีหลายอการเรื่องจิตเป็นหนึ่งเมื่อจิตสงบแล้วมันเกิดอะไรหลายอย่างมาไอ้ผู้ผู้ที่เกิดนะผู้ที่ไม่เกิดก็สบายไปเลยไอ้ผู้ที่เกิดสงสัยอันั้นสงสัยอันนี้เดียวมีลูกอันนั้นมาเดียวมีเสียนั้นมาตลอดเวลาเดียวรักเดียวกลัวเดียวรักเดียวโกรธก็เลยจิตทั้งหลายเหล่านี้ก็เพราะว่า ในที่นี้เนะี่ยมันยุ่งสนุยเรื่องเรื่องสมาธินี่มันมีหลายเรื่องนี่มันมีหลายเรื่องมันไม่แน่นอนนี่ถ้าปัญญาไม่เกิดเดียวสมาธินีม่มันยุ่งเพราะฉะนั้นคนจะคนจะเป็นประสาอะไรต่างๆบางคนปฏิบัติเป็นประสาเรื่องอื่นเนี่ยบางคนเป็นบ้ากไปเลยไปเป็นบ้าไปเลยเสียสติไปเลยไปเลยฉะนั้นประชาชนเราจะไหเป็นกลัว นั่งก็ะต่ายมอาจารย์ครมอย่างนั้นอย่างนี้ให้ความเป็นจริงไม่ถึงนั่นหรอกให้เราเข้าใจเสียว่าอาการอะไรเดมันเกิดรักเกิดรัวอะไรที่จิตของเรานั้นไม่เห็นว่ามันเป็นอนิจจ์ไม่มีอะไรทำลายอะไรทั้งนั้นะให้รูปจิตตัวส่วนเดียวเท่านั้นอ่ะมันปล่อยมันไปที่นั้นเรื่องของไอเที่ยงวันนี้เห็นไหมเห็นของไอเที่ยงไหมวันนี้ชาวอืม อย่าโดนทั้งหลายนะว่าจะกลับไปนอนวัดหนองประภูนะอืเ mm. มื่อมาถึงที่เนี่ยได้กี่เดือนไปได้อยู่เอารถไปขนเอาของมาเนะนี่ยมีอณิจังหรือเปล่าือมันแน่นอนเมื่อไรล่ะอืม mm. บางคนก็เอาอะไรเก็บไปทั้งโน้นเลยจะกลับไปถึงเดี๋ยวกลับมากลับไปไปนี่มันแน่ได้ไงแน่ไหม นี่เดียวมันไม่เที่ยงมันเป็นอย่างนี้เนี่ยบางคนก่อจะทะเลาะกันจะได้นะถ้าไม่รู้จักนะฉันว่าแล้วอืเก็บของแล้วมาให้หมดดีกว่า น, นี่ฉันพูดดีแล้วไม่ฟังเสียงเนี่ยดี๋วก็พูดอีกอีกแตพูดจะหยุดก็ดีแต่ถ้าพูดไปอยู่ทะเลาะกันอีกแล้วฉันววึว่าแล้วว่าแล้วนี่คืออดีตจังยง ทุกคนเป็นอย่างนี้ว่าจะเอาอย่างนั้นมันไปได้อย่างนั้นว่าจะเอาอย่างนี้มันไปได้อย่างนั้นอืมฉะนั้นจะไปทางไหนน่ะอาตมาจริงว่ามันไม่แน่อย่างรับดีบนเขาแล้วพ่อไปไหมยังไม่รู้อ้าวไม่รู้ทําไมอ้าวขึ่งมันจะไปมันปวดท้องขึ้นจะไปได้ยังไงหรอก็มันไม่อยู่อย่างนี้ะอย่าไปไหว้ใจอืมการภาวนานี่ การทำกรรมาฐานนี้เพื่อให้รู้อย่างนี้รู้ว่ามันเป็นอย่างนี้อาตจจมาก็เทศใบวยเรื่องอันดิจังทุกขังอันดตจานี้เป็นอารมณ์เป็นอารมณ์ของมีปัสนาพุทธานุสติ ธ, ธรรมานุสติสัมพานนุสติและหลายอย่างเป็นอารมณ์ของสมถทานอารมณ์ของมีปัญหาอารมณ์ของสมาท า, า, า, านเพื่อให้จิตสงบ อารมณ์ของของมีปัจนานนี้เพื่อจะเกิดปัญญาออย่างวันนีนะ้เราพบมาแล้วอันนี้จนไหมนะ่ะพบมาแล้วนี่เป็นอารมณ์ยมจําไว้ต่อไปโยมจะไปยืนยันมันจะไปยืนยันมันน่นีนอันนี้ฉันรับรองเลยจะไปรับรองเลยอืมตัวของเราเองก็ยังนักรองตัวเอง ไ, ได้เลย ไอ้ที่รับรองนั่นเห็นแจ้งชัดเน่เห็นตัวจริงนั่นก็เพือเห็นอนิจจันเมื่อมันเป็นอนิจจันท์ทุกอย่างทุกอย่างมันจะเที่ยงยุติตรงไหนเล่าอันนี้ก็อนิจจันทร์ใ่ไหมไปก็อนิจจันทร์ได้ไปก็อนิจจันทรช่มันจะเที่ยงยุติตรงไหนถึงเล่ามันก็เที่ยงยที่ว่ามันเป็นอยู่อย่างนี้มันไม่เป็นไปอย่างอื่นมันคลิปแผงอย่างนี้มันไหลไปมาวนเวียนกันอยู่อย่างนี้เด็กอนิจจันทร ของไม่เที่ยงคือมันเป็นของไม่เที่ยงอยู่อย่างนี้แหละมันเป็นเที่ยงมันจะเป็นอยู่อย่างนี้มันไม่อยู่ใต้อำนาจใครทั้งนั้นเนี่มันอยู่อย่างนี้บางคนบอกอันนี้ก็ไม่เที่ยงอันนั้นก็ไม่เที่ยงมันจะเที่ยงกี่ตรงไหนเนีน่มันก็เที่ยงกี่ตรงมันเป็นอยู่อย่างนี้ไม่เที่ยงคือมันเที่ยงที่มันไม่เที่ยงนี่แหละอย่างนี้ฉะนั้นอย่าไปรับรองมันเลยอัตมา ถ, ถึงบอกญาติโยม ตามป่าที่ไม่ได้ศึกษาสูงใกนกรรมาทานบอกว่าฉันไม่รู้จากการภาวนาหรือไม่ได้เรียนอะไรมาเลยจะทำยังไงดีอาตมาบอกสั้นๆมาไม่ยากโยมจะทำไห ม, มเรากราบพระทุกวันแล้วก็นอนไปนอนไปจะดูโรงเรียนว่าหนึ่ อ, อวันนี้ก็เป็นไรเนาะวันนี้เนอะอ จะมีอายุถึงพรุ่งนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้บางทีลมมันออกไปไม่เข้ามาวราหมดแล้วลงเข้ามาไม่ออกไปมาหมดแล้วเท่านี้เมื่อตื่นนอนคือมันยังมีลมหายใจวันนี้ยังอยู่นะเอาพวกนี้ต่อไปภาวนาอย่างนี้ทุวันทุวันนะเมื่อใจนอนลมหายใจของเรานี้เป็นอาหารนะเป็นอาหาร น่าจะเป็นอารมณ์จิตดีที่สุดเรื่องอาณาปานสตนิี่เรื่องเรื่องตายมันน่าจะดีประกอบตายนี่อาหารทุกอย่างมันสู้อารมณ์ไม่ได้เราจะทานข้าวอยู่มันก็มันก็ทางลงอยู่เราจะนอนอยู่ก็มีลมอยู่เราจะเดินไปก็ก็มีลมอยู่อะไรที่ไม่มีลมไม่ได้แล้วนอกจากตายแหละนี่เป็นอาหารที่สำคัญแต่เราไม่พิจรารณาไปเห็นแต่รมะเลยโน้น แกงเป็ดแกงไก่บนมันอาหารอดนกอร่อยดีพีสุดอาหารคือโรงมีไม่เห็นเลยก็งั้นการที่ประชาชนทั้งหลายที่ไม่ได้เคยพิาจารณาสกุลร่างกายเนี่ไปวัดปะโคเป็นโคกระดูกอยู่ในนั่นในกระจกนั่นอุ๊บกลัวฮะบางคนนอนไม่ได้กลัวกลัวกระดูกเฮ้ยกลัวกระดูกก็เป็นเซลล์เดียวกันคนไม่มีกระดูกก็เป็นเซลล์เดียวกัน นอนก็นอนกระดูกใช่ไหมหงหาดก็หงกระดูกนอนด้วยกันไปเห็นกระดูกดุจตัวนี่แสดงว่าคนนั้นไม่รู้ตัวของตัวเลยไม่เคยเห็นไม่ทิศกระดูกในตัวเลยโทรไปกระดูกข้างนอกตัวเลยเนี่ยถ้าภาษาพระพุทธเจ้าเรามากล้งกั้งคนถ้าเป็นปลาเหลือตัวเดียวแบบกล้าปลาอือันนี้แสดงว่าไม่ได้รู้ตัวดูตนเราเลย่าป กระูมันมีไปอยู่อย่างไรมันอยู่ที่ไหนไม่เคยเห็นเลยไปเห็นกระูข้างนอกตัวกลัวขึ้มานี่แสดงว่าไม่ได้พิจารณาเนื้อตัวตนเลยที่ดียวนี่มันเป็นสยายนี้อะไรทั้งไหนก็เหมือนกันฉนันนานเก่งปัญญามันทึบไม่มีมิจฉานั่นการทำเพียนการภาวนานี่เพื่อเอาตัวรอดคนเรามมีเหตุให้ทุกข์เกิดนเกิดทุกข์หรรับทุกข์ ภาวานานี้เพื่อจะไม่ให้มีทุกข์ให้รู้จักเหตุว่าอะไรมันจะพาเราเป็นทุกข์ให้รู้จักเหตุห น, นั้นตามเจริงมันอืมเช่นมันจะมาบอกว่าแก้ไว้นี้นะ่ะถ้ามันแตกมันเป็นทุกข์เราเรียนรู้มันสบว่าให้รู้จักเหตุมั น, มนจะแตกอยู่แล้วตัดเหตุมันแล้วจะไม่แตกไม่มีภาชนะนี้ให้เราเห็นมันชัดอีกที่มีเหตุที่เกิดทุกข์ ถ้าเราเห็นมันชัเิเจนอะนี่เรารู้เหตุของธรรมะนราทุกเกิดไปได้เราใช้แกะไปนี้นานๆไปได้ดูมันแตกเพี้ยงนี่ไม่มีอะไรแล้วเพราะเราตัดปรนแดี๋วรู้เหตุประเดีวทุกความเป็เกิดขึ้นมาการประพุทิธรรมะการปฏิบัติธรรมะก็เหมือนกันอย่างนั้นอืมฉะนั้นการเดินหรือการปฏิบัติที่ทันเิียกว่ามรรสสมาธิปัญญา นี่เป็นหลักที่สำคัญที่สุดเลยทีเดียวฉะนั้นการปบวชปฏิบัตินี้ก็ไม่มีอะไรมากมีกายกับจิตเดี๋ยวนี้เราก็เอากายระมาเอากิจจอมาขึ้นรถลงเรือกระหอกกันไปด้วยเท่านั้นแหละไปดรอยู่พุทธมันอยู่กับเราถ้าเราพูดไปมากมายหลายอย่างหลายกถานมากมายอืมมากมายรวมแล้วก็คือ ร, รูปจักนามธรรมรูปธรรมนามธรรม คือกายกับจิตที่เท่านั้นไม่มีอะไรนอกจากนี่ไปแน่กายนี่มันก็ไม่เทียมจิตนี่มันก็ไม่เทียงมันเทียมอยู่ตรงไหนมันเทียมอยู่ตรงที่มันเป็นอย่างเนี้ยไม่เป็นไปอย่างอื่นมันเป็นอยู่อย่างนี้ทีนี้เราประมดปัญญาที่จะแก้ไขมันนอกจากว่าให้ถึงสังขารนี้ด้วยปัญญารู้เท่าตานไปจริงของสังขารนี้ว่าสังขานี้มันเป็นอย่างไรก็รู้เท่าว่ามันเป็นอย่างนั้น มันก็จกเรื่องกันเท่านั้นสังขารมันจะเป็นอย่างนั้นเราอยากจะให้มันเป็นอย่างนี้สังขารมันจะเป็นอย่างนี้เราอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเราแก้เรื่องแล้มันไปอยู่เสมอเลยทีเดียวนั่นเรียกว่าเราไม่ยอมรับจิตไม่ยอมรับของจริงพูดง่ายๆกายจิตเนี่ยไม่ยอมรับความจริงถ้ายอมรับความจริงนั่นคือสัจธรรมแล้ว คือจัดเจตธรรมเยอันนี้เป็นต้นเราจะรู้จักภาษาได้หลายอย่างรู้จักภาษาธรรมะนี่จะสอนตัวของเราไปได้เมื่อสอนตัวของเราได้ก็สอนคนอื่นไปได้สอนคนอื่นไลยสอนสัตว์ทั้งหลายก็ได้ทุกอย่างอืมนี่เรียกว่าภาษาอันนี้พระพุทธเจ้าของเรา่าไม่จนุนภาษานี่มาใช่แต่คําพูดนิรุตติภาษานให้เป็นผู้แตกฐานในภาษานี้อืม ทุกสิ่งสารพัดมันเป็นภาษาอยู่ไม่ใช่คำผูดอย่างเดียวอมืมันเป็นเช่นนั้นมิเช่นนั้นพวกเราทางมเรียนธรรมะเราเคยรู้จักภาษาของกายของจิตตรงนี้ว่ามันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นนัตตาแล้วเราจะเห็นความจริงกันทุกๆคนอันนี้เป็นข้อประพฤติเป็นข้อปฏิบัติจะได้มารวบรวมฟังธรรในวันนี้กเพราะว่ามาสร้างบา ร, รมีกันสร้างบา ร, รมีด้วยวัตถุเข้าของ สมบัติต่างๆนี้เรียกว่าการสร้างบารมีให้ทานทานบารมีทานวัฒนบารมีนี้ทําไปให้เกิดเป็นทานอุปบารมีทานักอุปบารมีนี้เป็นเหตุให้เกิดเป็นปรามัตถบารมีเริ่มปไปเรื่อยๆนี้ฉะนั้นการให้บัรจุสิ่งของเป็นบุญเพื่อเราจะรู้เรื่องเป็นเครื่องขัดเกลาทัทโทสัตโมหะอย่างนี้ ฉะนั้นอย่าไปลืการปฏิบัติละความชั่วออกจากกายออกจากวาจาออกจากใจเราอันนี้เป็นลักษณะที่ปฏิบัติปฏิปฏิสัตย์ธรรมคือการปฏิบัติธรรมเป็นต้นปริยัติธรรมก็คือเราเรียนหรือการเราให้ทาง น, นี้่เลยเป็ น, เ ป, นเป็นทางอันหนึ่งเหมือนกันแต่ยังไม่ยิ่งแต่ดีอยู่แต่ว่ายังไม่ยิ่ง ถ้าเราไปปฏิบัติทำอันนี้ให้มันรวมกันไปที่จิตของเจ้าของนั้นเนี่ยเป็นเครื่องขัดเซลคิดออกจากจิตใจของเจ้าของนั้นนะมันจะเป็นปรมัจารย์ธรร ม, มบุญกุศลอยู่ในนี้นี่ฉะนั้นการประพฤติปฏิบัตินี้จึงเป็นของสําคัญมากที่สุดที่นี่ญาติโยทั้งหลายวันนี้ก็คงจะได้รับธรรมะในการประพฤติปฏิบัติในเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญา เรื่องกรรมฐานนี่พอสมควรมิฉะนั้นตอนน่อไปอัตมาก็จะให้ลูกศิษย์พระฟรังนะเอาเป็นหมดทุกคู่เราวันนี้ให้อธิบายท้ามาให้ฟังพอสมควรเกื่การฝึกหัดดัดจิตของเจ้าของนั้นสามารถที่จะเรียนเป็นภาษาอังกฤษแต่มาเรียนภาษาไทยเรา ลูกข้ออัดข้อจในธรรมานี้อืมเป็นต้นก็นับว่าเป็นผู้ฟักไอืมพยายามที่อืให้เป็นธรรมะให้เขาปัจจัยของญาติโยมได้ตอนนี้ไปก็อาตม า, ข, าขอขอยุติเตกการบรรยายธรรมะมาเทียงธรรมนี้ขอคุณงามความดีอันนี้อืมวันนี้ที่ญาติโยมทางไหน ได้รับวางวันนี้เป็นต้นจงนำไปประพฤติปฏิบัติให้เป็นปฏิปฏิสัทธธรรมปฏิบัติที่กายของเรานี้ปฏิบัติที่ใจของเราอิองซ้อประการนี้และให้รู้ให้เห็นตามตจริงของสังขารตัดรากมูลคือราคะโทสะโมหะนี้เปขาะปฏิปฏิสัทธธรรมดิฉันขอหยาิโยมทั้ ง, ง, ทงหลายจง มีปัจจัยจงเป็นปัจจัยให้ญาติโยมทัานหลายบรรลุธรรมะสั้นสูงต่อต่อไปด้วยการฟังพัฒธรรมเทศนาในวันนี้เถิ